ปรุงรสแต่งกลิ่นด้วยตะไคร้ใบมะกรูดกลิ่นอบอวนไปตามสายลมที่โชยไปต้มเนื้อใส่ตะไคร้กับใบมะกรูดส่งกลิ่นเหมือนตื่หวนลอยมาตามลมต้องเดินตามกลิ่นมาจนเจอต้นต่อเห็นท่านบัณฑิตกำลังดูแลหม้ออาหารใบใหญ่สำหรับหมาทั้งหลายถึงขนาดต้องอ้อนวอนหมาให้กินอาหารตำรับของท่านที่อุตส่าห์ปรุงด้วยความชนานาญจากสมัยเป็นคารวาสหมาพวกนี้เป็นหมาเจ้ายศเจ้าอย่าง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 ท่านบอกว่าเข็ดเลยไม่เอาอีกแล้วต่อมาทราบว่าท่านได้ออกจากวัดไปวิเวกที่อื่นและพบกันอีกครั้งโดยบังเอิญทราบว่าท่านไปอยู่วัดแถวสังขละบุรีได้ไปมาหาสู่ท่านครั้งหนึ่งแต่ขณะนี้ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนแล้ว